ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือแนวความคิดกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในวัดของหลวงพ่อรือวตลอดถึงหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าพวกเราท่านทั้งหลายก็คงได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายจัก ร, รวจีกรรมมนโนกรรมถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง ครูบาจารย์นับแต่หลวงพอ่อลงไปจนถึงคณะสงฆ์พระสงฆ์ทุกรูปขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายโอาหสิหรือตลอดหลวงพอ่อกเอาโหสีให้กับคณะศรัทธาญาติโยมเขาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันถ้าว่าประมาทครูบาจารย์พระสงฆ์ได้กระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้พวกเราโอาหสีให้ คณะสงฆ์เช่นเดียวกันขอให้พวกเราเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบศีลและธรรมเขาให้สมหวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอะหังขา ม, ามิตุมเหหิปิเมขา ม, ามิตับบังเอวังโฮตุเอวังโฮตุโตยจะปุุเบปมัะชิ ต, ตวาปัสโซนปะปมะสติ โซมังโลกังปพาเสติอภามตโตวจันทิมาอภิวาทนาสีลิจานิจังบุตธาปจายโนจัตตารธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เป็นวันภาวณาออกพรรษาคณะทายาโจมรู้สึกว่าอบอุ่น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 ให้เต็มโรเลกุลเหมือนกับเสื้อผ้าเราที่มันขาดมันเป็นรูมันขาดเราก็ต้องปะเย็บชุนให้มันอยู่ในสภาพนี้คงเหมือนกันเมื่อพวกเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วขย่าะให้มันขาดตกบกพร่องถ้ามันขาดตกบกพร่องเราก็ไม่ภาคภูมิใจไม่ใช่หรอถ้าเราทำอะไรมันขาดตกบกพร่องเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ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 ใช้ความรอบครอบของพวกเราทันทั้งหลายลนะั่นแะแต่ถึงยังไง อ, อย่างพวกเราอย่างหลวงพ่อนะ่ะปีนี้ตลาพันษาสี่สิบเก้าพันษาสี่สิบเก้าปีนแล้วก็ปีหน้าพันษาห้าสิบมันไม่ใช่แก่แต่เฉพาะพันษานะชีวิตของพวกเราแก่ไปเรื่อยหลวงพ่อรู้สึกเลยนะ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 แต่ถ้าว่าไม่ออกกําลังกายไม่ขยับกระเยื่นะเลยเขี้เกียจให้เขาหามไปที่ไหนเพราะขี้เกียจเดินพอแก่แล้วเอาลูกหลานฆ่าแก่แล้วให้สู่เจ้าหามไปที่ไหนออพอหามไปหามมาไม่ถึงเดือนสองสามเดือนเนาะแต่ผังผืดมันติดทีไหนติดแข้งติดขาติดผังผืดเดินไม่ได้อีกผลที่สูดก็เลยจะเดินเองก็เดินไม่ได้ทีนี้ต้องให้เขาหาม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 ฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ยบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราเมือ่อพวกเรามีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแล้วนะเราจะไปรักสถานที่ใดเราก็อบอุ่นเพราะว่าเราได้ประกอบคุณงามความดีเราไม่ได้ทําความช่วยชาเสียหายแกับใครๆไม่ทําให้ใครเดือดร้อนกับตัวของเรามีแต่ประกอบคุณงามความดีมีแต่สร้างบุญสร้างกุศล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 ในศาสนาของพระศรีอานพระศรีอริยะเมตไตรบุญกุศลของเราก็พอกพูนเพราะเหตุไรพเพราะเราเลือกเลือกมาเกิดได้เพราะเหตุไรเพราะเรามีบุญเหมือนกับเราเลือก เ, อเลือกไปต่างประเทศอย่างนั้นล่ะเราจะไปประเทศไหนถ้าเรามีเงินนะจะไปอังกฤษอเมริกาไปขั้วโลกไหนไปได้ทางนะั้นเพราะเหตุไรเพราะเรามีเงินเลือกไปได้แต่ถ้าคนไม่มีเงินเลือกไม่ได้นะ จะไปที่ไหนไปไม่ได้ไปจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะเพอเผยยังออกนอกประเทศไม่ได้อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินจะไปถ้าไปก็ไม่รู้จะทำยังไงพอไปมันไปใช้เงินได้อันนี้ก็เหมือนกันนะไปสู่สวรรค์น่ะคือไปใช้บุญตัวเองไม่ได้ไปสร้างบุญ น, นะไปสู่สวรรค์โดยมากไปใช้บุญเหมือนกับเราไปต่างประเทศโดยมากไปแต่ทาเงินในประเทศตัวเองน่ะก็เอาเงินไปใช้อ่าไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนาน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 กล่าวย้ำเตือนอย่างไรสําหรับพวกเราให้นั่งสมาธิฟัง เ, เมื่อนั่งสมาธิแล้วก็ให้นั่งต่อไปอีกนะแต่เทศยาวก็สมควรนะ เ, เทศการนี้ประมาณหกสิบนาทีชั่วโมง ก, กว่ากนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรล่ะพวกเรามาปฏิบัติทำฟังไปเพื่อเป็นแนวความคิด เ, เทศการนี้เป็นเทศที่มากหลากหลายในแนวความคิดนะ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 เป็นอย่างนั้นดีไหมมีเห็นด้วยไหมเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยไหมเพี ย, นยงนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่แหะหลวงพ่อมีแต่ชี้ประเด็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายทด้ฟังได้ศึกษาฟังฟั ง, ฟงดูนะเอ็มพีสามของหลวงพ่อนะทุกแผ่นเลยโดยมากหลวงพ่อจะชี้ไปในทางนั้นแหละไม่ได้มีเผด็จการเหมือนะเป็นประชาธิปไตยซิ ม, มากกว่าแต่บางครั้งอ้างเหตุผลไปแล้ว